บทส่งท้ายระหว่างคำคมกับคำจริงหากปราดเมธีทั้งหลายตระหนักว่าเบื้องหลังการเกิดตายมีกรรมวิบากเป็นเหตุเป็นผลวาทะคำคมโวหารและพาษิทธ์ของพวกเขาคงเปลี่ยนแปลงบ้างไม่มากก็น้อยอย่างน้อยผมก็เชื่อว่าพวกเขาต้องทิ้งคำสวยๆไปหลายคำทีเดียว ทั้งนี้เพราะคําสวยๆบางคําไม่เป็นสัจจะในขณะที่คําอันเป็นสัจจะจำนวนมากฟังไม่เพราะไม่เทไม่กินใจเท่าใดนักปราดเมธีผู้ยิ่งใหญ่นั้นโดยมากจะมีวาทะเกี่ยวกับมนุษย์ด้วยกันและขอบเขตของการมองก็จะมองเพียงชีวิตเดียวชีวิตเป็นอย่างนั้นชีวิตเป็นอย่างนี้ ขอเพียงเขารู้ความจริงเพิ่มขึ้นอีกสักนิดเช่นหลังความตายกรรมดำหลายประการจะนำมนุษย์ไปสู่ความเป็นสัตว์สีเท้าสัตว์หน้าขนสัตว์ที่พวกตนอาจจะเคยดูถูกเย็ดยามสัตว์ที่ตนอาจจะเคยกินศพของพวกมันอยู่ทุกเมื่อเชื่อวันวาทะของพวกเขาจะเปิดกว้างขึ้นไม่จํากัดขอบเขตด้วยการเริ่มต้นด้วยคาพูดตายตัวเช่น ชีวิตคือจุดๆๆแต่จะตั้งต้นอย่างเป็นเหตุเป็นผลเช่นเพราะกรรมอย่างนั้นชีวิตอย่างนี้จึงปรากฏเนื่องจากไม่รู้จึงทำให้มนุษย์ส่วนใหญ่แบ่งชั้นวันนักกับสัตว์เดรัจฉานทั้งหลายอย่างชัดเจนเห็นพวกมันไร้ค่าไร้ความหมาย ไม่มีใครเอาอิฐปลาหัวหมาแล้วโดนจับฐานทำร้ายร่างกายไม่มีใครถูกฟ้องหมิ่นประมาทเพียงเพราะด่าแมวให้คอตกเสียใจอย่างมากก็ห้ามฆ่าสัตว์อนุรักษ์หรือสัตว์ที่ได้รับการคุ้มครองขอตั้งข้อชวนสังเกตด้วยว่าทำไมกฎหมายไม่ให้ความเป็นธรรมไม่เป็นฝนที่ตกทั่วฟ้าสัตว์หลายมูเหล่าถูกฆ่าได้โดยถูกกฎหมาย แถมมีการสนับสนุนอย่างจงแจ้งเสียด้วยเหล่ามนุษย์คงตกใจหากรู้ว่ามนุษย์กับสัตว์มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกันมากกว่าที่คิดสัตว์เดรัจฉานไม่ใช่แค่สัตว์เลี้ยงและไม่ใช่แค่อาหารย่างชีพของมนุษย์แต่อาจเป็นเป้าล่อให้เราทำกรรมอันจะนำไปสู่ความเป็นพวกมันก็ได้ เช่นการเอาอะไรปลาหัวหมาเล่นมีผลในที่เกิดครั้งต่อไปคือจะถูกรังแกโดยไม่มีทางสู้และนั่นก็แปลว่าถ้าเราเห็นสัสสตว์สักตัวกำลังถูกรังแกอย่างไร้เหตุผลเราอาจจะกำลังมองผ่านความจริงในปัจจุบันเข้าไปเห็นอดีตกรรมของมันเมื่อครั้งเป็นมนุษย์อยู่ก็ได้ และต่อให้ไม่ต้องไปทำอะไรสัตว์ขอเพียงมีพฤติกรรมอันสมควรต่อการไปเป็นสัตว์ก็ต้องไปเป็นสัตว์กันแล้วและเหตุอันสมควรแก่การเป็นสัตว์ก็ไม่ต้องชั่วร้ายมากอย่างที่หลายคนคิดอบายภูมิใกล้ชิดเราเกินกว่าจะคาดถูกแม้เชื่อเรื่องภพภูมิและการเวียนว่ายตายเกิด แต่หากขาดความรู้เรื่องเหตุผลที่มาที่ไปของการจำแนกสัตว์ออกเป็นต่างๆคนทั่วไปจะไม่เชื่อด้วยซ้ำว่าวันหนึ่งตนเองอาจพลัดหล่นไปสู่ความเป็นเดรัจฉานอันเป็นหนึ่งในอบายภูมิยิ่งหากกำลังสวยยศสากสูงส่งเป็นคนมีหน้ามีตามีฐานะร่ำรวยเดินเหินด้วยมาสํารวยรูก็จะยิ่งไม่มีทางเชื่อเลยว่า ตนเองจะถลายลงต่ำไปกรองอัตภาพของสัตว์หน้าขนในวันหนึ่งผมจะเล่านิทานให้ฟังสักเรื่องขอให้ฟังประกอบหลักกรรมวิบากก็แล้วกันอย่าไปค้นหาว่ามีที่มาจากไหนหรือเอาหลักฐานยืนยันจากใครเพราะมันคือนิทานครั้งหนึ่งนานแสนานานมาแล้ว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 และบุญเก่าคือความอ่อนน้อมต่ออริยะเจ้านำนางไปสู่ตระกูลใหญ่ระดับราชนิกูลพูดง่ายๆว่าบุญเก่าส่งให้นางกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ผู้หญิงที่มีความเพียบพร้อมยิ่งเลอเลิอดยิ่งไปที่ไหนไม่ต้องเป็นรองใครเลยแต่ด้วยเพราะไม่อาจจำบุญเก่าได้และชาติใหม่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 และสุนัขน่ารักที่ฉลาดเหมาะกับความเป็นนางก็คือพันธุ์ที่โลกปัจจุบันเรียกกันว่าพุดเดิล น, นางในอัตภาพสุนัขยังคงความรู้สึกเดิมๆเพราะอัตภาพที่ได้มายังดูสูงส่งแม้จะเป็นความสูงส่งในอบายภูมิประกอบกับที่นางมีเจ้าของเป็นคนร่ำรวยประคบประงมอย่างดี และเล่นกับนางอย่างเพื่อนซึ่งเพราะเคยเป็นเพื่อนเล่นกันมาจริงๆในอดีตชาติด้วยจึงหล่อเลี้ยงความเย่อหยิ่งดื้อรั้นเอาแต่ใจไว้ไม่หายไปไหนยิ่งนายตามใจก็ยิ่งเหลิงซึ่งก็ทำความแปลกใจให้แก่เจ้านายของนางบ้างเพราะนิสัยค่อนข้างผิดแปลกแตกต่างจากพันพุทธเดินด้วยกัน ซึ่งโดยทั่วไปนิสัยเยอ่อหยิ่งถือดีจะเป็นพวกพันเทอเรียซมากกว่าเมื่อได้อัตภาพที่ผูกความเย่อหยิ่งและความเอาแต่ใจไว้พบหรือภาวะแห่งความเป็นสุนักก็ไม่ขาดหายเมื่อตายไปก็เข้าท้องสุนักอีกและบาแห่งการถือดีเอาแต่ใจเริ่มให้ผลเบียดบังบุญเก่า ต้องไปอยู่กับนายที่ไม่เอาใจไม่ประครบประงมกับทั้งชอบดุและตีเมื่อทำผิดเล็กๆน้อยๆทำให้นางจ่อยไปเพราะไม่รู้ว่าจะอวดกำแหงกับใครภายใต้กรอบจำกัดของอัตภาพสุนัขแสนสวยนี่ก็เป็นเยี่ยงอย่างให้เห็นว่าติดนิสัยไม่ดีเพียงอย่างเดียวก็อาจโดนนิสัยนั้น ชุดลากลงต่ำไปเรื่อยๆเหมือนลงที่ลาดได้จากต่ำอยู่แล้วก็ยิ่งต่ำลงไปมากกว่าเดิมอีกโดยมากพวกมีบุญหนักศักย์ใหญ่นั้นต้องจอยถึงจะดีเช่นในนิทานเรื่องนี้ความจอยของนางสุ น, นักได้ขุดเอาความรู้สึกดีๆกลับมาใหม่เมื่อจิตหลุดจากพันธะคือความปากร้ายเห่าสงเดช และความเอาแต่ใจตัวอย่างร้ายกาศความรู้สึกดีๆที่เป็นบุญก็กลับมาความสว่างของบุญเก่าก็ได้ช่องหลังตายจักชาตินั้นก็มีโอกาสเกิดในที่สูงระดับมนุษย์อีกบุญเก่าของนางคอยจ้องจะอุปถัมม์อยู่แล้วขอเพียงไม่มีนิสัยเสียๆมาขวางเท่านั้น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 แสดงให้เห็นวงเวียนวัด ต, ตะขึ้นสูงแล้วมีเงื่อนไขดึงให้ลงตำ่ำลงต่ำแล้วมีเงื่อนไขฉุดให้ขึ้นสูงขอเพียงรู้แจ้งมองย้อนกลับไปว่าเหตุการณ์หรือสถานการณ์ร้ายหนึ่งหนึ่งเกิดขึ้นจากกรรมแต่หลหลังท่าไหนเราจะไม่เสียเวลาร้องไห้กร่ำมรวนให้กับเรื่องร้ายนั้นๆหรือถึงแม้กลั้นน้ำตา และอาการสะอึกสะอื้นไม่ได้เราก็จะไม่นึกเสียใจน้อยใจหรือกระทั่งปล่อยใจให้หดหูอยู่กับจังหวะไม่ดีของชีวิตกันเลยแต่จะเร่งเพียรทำดีเพื่อให้พ้นอบายและสุดท้ายเพียรเพื่อพบทางออกจากความไม่แน่นอนของสังสารวัฏอันจัดเป็นวงจรอุบาทนิซะ เราจะใส่ใจกับคำคมน้อยลงหันมาประทับใจกับคำจริงมากขึ้นเช่นสิ่งมีชีวิตไหลลงต่ำง่ายเราจึงเห็นสัตว์เดรัจฉานมากมายเกินมนุษย์หลายล้านเท่าหรือถ้ายังต้องเวียนว่ายตายเกิดไปเรื่อยเรื่อความดีอย่างเดียวไม่ได้เป็นประกันความปลอดภัยเพียงพอ ความเห็นโทษในการเวียนว่ายตายเกิดอย่างไม่รู้อิโนโอินเน่กับความเข้าใจในเส้นทางเพื่อการหลุดพ้นอย่างถูกต้องต่างหากคือใบรับประกันอันแท้จริงจบหนังสือ เตรียมสเสบียงไว้เลี้ยงตัวเล่มห้างานเขียนโดยดังตรินเสียงอ่านโดยโจโฉขอบคุณคุณตองพีที่อนุญาตให้ดาวนโหลดเสียงบรรเลงเป็นโนมาประกอบเสียงอ่านนะครับและขอบคุณเป็นพิเศษสำหรับคุณรุ่งทิพดวงพยับที่กรุณาส่งต้นฉบับมาให้อัดเสียงเผยแพร่แจกฟรีนะครับสภาธนังธรรมธนังชินาติ การให้ธรรมะชนะการให้ทั้งปวงการฟังธรรมะที่ดีเมื่อเวลาผ่านไปสักระยะลองออกกลับมาฟังซ้ําใหม่อีกครั้งนะครับคุณจะเห็นแง่มุมที่คุณผ่านไปอย่างไม่รู้ตัวและจะลึกซึ้งในตัวหนังสือแต่ละบทมากขึ้นเรื่อยๆตามวัยวุฒิที่มากขึ้นขอให้เจริญในธรรมทุกท่านนะครับ